มาถามเรื่องราวว่าเขาทําอย่างไรกันแน่เมื่อถามโยมคนนั้นก็ทราบว่าเขาเอาประจัยซึ่งเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณบริขารของพระหลายองค์ที่สั่งเขามาแลกเปลี่ยนบุรี่กล่องนั้นมาท่านถามเขาว่าพระองค์ใดบ้างที่สั่งและประจายขององค์ใดบ้างที่โยมเอามาแลกเปลี่ยนบุรี่กล่องนี้มาเขาก็บอกว่าขององค์นั้นๆพอทราบเรื่องละเอียดแล้ว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 โดยปราศจากความเครือแ่างสงสัยการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็เยี่ยมยอดเชียบขาดไม่มีกลิ่นตัวใดแสงหน้าท่านไปได้ทำความบำราบปราบปรามจำนวนเกลี้ยงไม่เหลือหลอจนได้น้ำจากบันดาศสิทธิผู้ใกล้ชิดและเคารพต้งถือว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันการบาเพ็ญประโยชน์แก่โลกก็ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดขาดสติปัญญาพอจะแทรกแสงคัดค้านได้ว่า